วันที่ 28-30 พฤษภาคม2562ผู้บริหารบุคลากร อ, อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกว่า 1,000 คนพร้อมใจการเดินทางไปเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานณอาคารสุรพัฒน2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานพร้อมทั้งรับมอบสิ่ง ของพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลาสวันระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเมื่อทรับข่าวได้มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปลงทะเบียนดังกล่าวโดยจัดรถบริการรับส่งตลอดระยะเวลา3วันซึ่งในวันแรกที่เปิดรับสมัครนั้นยอดผู้เข้าสมัครจากมทร อ, อีสานพุ่งสูงถึง300คนสำหรับยอดผู้สมัครวันที่2ประมาณ350คนและในวันสุดท้ายอีกกว่า400คน โดยบรรยากาศการไปลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานในแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจํานวนมากแม้ว่าจะมีสภาพอากาศร้อนจดัดแต่ทุกคนก็ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและอยู่รอจนกระทั่งสามารถดําเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนจิสุภาประหาประชจสัมพันธ์และเผยแพร่มอทรอีสานรายงานอธิบดีกรมการแพทย์แนะนําประชาชนเลิกบุหรี่ชี้เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อโรคมะเร็งหลายชนิดทั้งตนเองและคนรอบข้าง นายแพทย์สมศักดิ์อคาสินอธิวดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก จากสถิติขององค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า7 000, 000ล้านรายต่อปีในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า8ปด0สนรายมาจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสองสำหรับประเทศไทยบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่ อ, อการเกิดโรคมะเรง็งซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะมะเร็งปอดด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิมสำรานผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่า บุรีและควันบุรีประกอบไปด้วยสารเคมีกว่า7000ชนิดในจํานวนนี้เป็นสารก่อมะเร็งประมาณ70ชนิดบุหรี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคมะเร็งซึ่งไม่เพียงแค่มะเร็งปอดเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยเช่นมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งช่องปากมะเร็งลําคอ มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้างก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวและยังเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองอีกด้วยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกา ก, ากาับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ